สงสัยอะไรก็ถามท่านท่านเทศแล้วสงสัยอะไรก็ถามท่านเรียนท่านถ้าสงสัยแต่ก็คงไม่สงสัย ถ้าผู้เห็นชัดมันก็พิจารณาอันหนึ่งมันก็ถูกทั้งหมดเลยถ้าผู้ไม่เห็นชัดก็ต้องเรียงแบบบ้างถ้าผู้เห็นชัดแล้วขนาดกิตเดียวเห็นรวมกันเลยเมื่อเห็นรูปก็เห็นเวทนาด้วยก็เห็นสัญญาสังขารวิญญาณด้วยไม่ต้องการเพราะมันไม่สงสัย รมหายใจเข้าข้างหนึ่งมีทั้งรูปเบสนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยเราจะพิจารณาเห็นหรือไม่เห็นก็นตามมันเป็นจริงอยู่ไม่มีกลงวันกลางคืนเห็นความเกิดดับขึ้นขณะหนึ่งมันก็เห็นทั้งรูปขันนามขันด้วยถ้าความเกิดดับไม่ลำเอียงเข้ากับรูปขันนามขัน เห็นอ น, นิจจังคณะหนึ่งก็เห็นทั้งโลกขันนามขันด้วยเพราะไม่เป็นหน้าที่จาอั น, นิจจังตั้งแต่โลกขันนามขันก็มีหน้าที่ด้วยเข้าใจเช่นนี้เพราะเหตุใดพระเคยชำนานเข้าใจหน้าที่นนี้ เราพิจารณารูปรูปจึงจะมีเราพิจารณาเวทนาเวท น, น, นาจึงจะมีเราพิจารณาสัญญาความจําความจําจึงจะมีเราพิจารณาสังขารความปรุงแต่งขึ้นสังขารจึงจะมีเราพูดอยู่อย่างนี้มันก็เป็นวัชิสังขารแล้วใช่ไหม <c oughs> เป็นจิตตสังขารสัมพยสกันอยู่อีกด้วยเป็นกายสังขารสัมพยสกันอยู่รวยเพราะมีทั้งลมหายใจเข้าออก เห็นชัดตัดความสงสัยเห็นปัจจุบันชัดอดีตอนาคตก็ชัดเหมือนกันเห็นอนิจจังในปัจจุบันชัดอนิจจังในอดีตอนาคตก็อยู่ในตัวด้วยเห็นทุกชัดในปัจจุบันทุกอดีตทุกอนาคตก็ชัดอยู่ในตัวด้วยเห็นดินชัด ดินในอดีตอนาคตก็ชัดอยู่ในตัวด้วยเห็นน้ำชัดน้าในอดีตอนาคตก็ชัดอยู่ในตัวด้วยเห็นผู้รู้ชัดผู้รู้ในอดีตอนาคตก็ชัดอยู่ในตัวด้วยทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งไหนที่เกิดเร็วสิ่งนั้นก็ดับเร็วก็มีทุกสัมพยทย์อยู่นั่นด้วย ไม่ใช่เราเขาสัตว์บุคคลสัมพยุตอยู่ในที่นั่นนันด้วยนี่วิปัสนาธุระคือธุระทางปัญญาสมาธิธุระก็ตั้งมั่นอยู่ในอันเดียวกันสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสัมพยุตกันอยู่จะแยกกันไม่ได้สติ ก็ดีสติความรั้นเลิกได้สัมปชัญญะกว่าความรู้ตัวอยู่ในคณะเดียวไม่มีอันในก่อนในหลังขชินความสงสัยนะที่นี่ ของปฏิกูลก็เป็นใตรักอยู่ในตัวแล้วเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของปฏิกูลเพราะการปฏิกูลไม่ได้อยู่ในวงแขนของท่านพ่อใดการปฏริกูลก็มีรูปขันน่ปะปฏิกูลรูปขันก็ขันในไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเราเพิจารณาเห็น มันก็เป็นเรื่องของเราเห็นไอ้ที่แท้มันไม่ลงธรรมะเลยความเกิดขึ้นแปรดับก็ไม่ลงธรร ม, มาเลยความเปลื่อยเน่าก็ไม่ลงธรรมะเลยเป็นขณะจิตที่เราสมมุติหลังฉากต่างหากไอ้ที่แท้สิ่งเรานั้นจริงอยู่แล้วไม่มีกลางวันกลางคืนสังขารก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพระเนพานก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเป็นเพียงเราสมมุติว่าเราเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เฉยเยไอ้ที่แท้เราไม่เห็นแล้วก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนต้องรู้รอบตัวอย่างนั้น จึงจะสิ้นความสงสัยถูกไหมท่านมาหาอาธิบายคุณมาหาอาธิบายดูดูถูกไหมถ้าไม่ถูกก็อธิบายอีกเห็นตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงอยู่ในตัว พ้นความสงสัยตามเม็นจริงอยู่ในตัวด้วยสิ่งไหนที่พ้นความสงสัยแล้วไม่คืนมาสงสัยอีกเหตุเช่นเห็นอ น, นิจจังชัดในปัจจุบันก็ไม่สงสัยว่าจะเป็นอื่นเห็นทุกชัดในปัจจุบันก็ไม่สงสัยว่าจะเป็นอื่นเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาสัตบุคคลก็ไม่ใช่ว่า จะสงสัยเป็นอื่นอีกเพราะเห็นชัดตัดความสงสัยเลยถ้าอย่างนั้นไม่มีท่านผู้ใดจะข้ามทะเลหลวงของตนไปได้ก็ต้องเป็นธาตุทะเลหลุงอยู่ล่ำไปเห็นชัดอันหนึ่งก็ต้องเห็นชัดหมดถ้าไม่เห็นชัดอันหนึ่งมันก็หลงหมดอีกเหมือนกัน เพราะสองก็มาจากหนึ่งสามก็มาจากสองเหมือนกันก็อันเก่านั่นเองใครเป็นผู้สมมุติหนึ่งสองสามก็จิตตะสังขารใช่หรือไม่ใครเป็นผู้สมมุต 1, 2, 3, ิตมมตว่าเห็นหรือไม่เห็นก็จิตใจใช่หรือไม่ถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่ใจ ถ้ารู้ก็รู้อยู่ที่ใจถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้อยู่ที่ใจไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นถ้าสงสัยก็สงสัยอยู่ที่ใจไม่ได้ไปสงสัยที่อื่นถ้าเส้นความสงสัยก็เส้นความสงสัยแม่เป็นตอนตอนอยู่ที่ใจไม่ได้เส้นความสงสัยอยู่ที่อันอื่นถ้าไม่หลงใจตอนไหนก็ไม่หลงโวหารตอนนั้น ก็ไม่หลงทำตอนนั้นถ้ารู้เท่าใจตอนไหนก็รู้เท่าทําตอนนั้นท่าใจเป็นสักเป็นัก้ายใจไม่มีใครยึดถือเอาเป็นเจ้าของจะเห็นเวลาไหนก็อันเก่านั่นเองนัตถีโรเกและหัวหา้ะความรับไม่มีอะไรโลก รับที่ไหนก็ใจเป็นผู้เห็นสติปัญญาเป็นผู้เห็นไม่มีในโลกเกิดแปรดับก็ไม่ก็แม่รับเปลือยเน่าก็แม่รับดินน้าไฟลมที่เราสมมติใช่ว่าดินน้าไฟลมมันก็แม่รับมันก็มีอยู่ไม่มีกังวลกันเกแต่มันไม่ปฏิเสธหรือไม่รับไม่ปัดว่ามันเป็นดินเป็นน้าเป็นไฟเป็นลมเราสมมติใช้มัน <im itation> มันก็ไม่เยอะอยิ่งจองหองเราไม่สมมุติให้มันมันก็ไม่เยอะอยิ่งจองหองแต่เราสมมุติให้เพื่อรู้จักความหมายกันเฉยๆสมมุติใครเป็นเจ้าของวิมุติใครเป็นเจ้าของสังขารใครเป็นเจ้าของนิพพานใครเป็นเจ้าของก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนจะสมมุติหรือไม่สมมติก็จริงอยู่ยถาภูตังสำมัปปัญญาญา ท่านต้องทัท้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดพระบรมศาสดาสอนให้รู้ตามเป็นจริงเท่านั้นเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วก็จะไม่สงสัยในเรื่องนั้นนั้นไม่ได้สอนให้เอาเด่นน้ำไฟลมไปพระเนพานด้วยไม่ได้สอนให้เอา ไตรลักษณ์ไปพระินพานด้วยไม่ได้สอนให้เอาอนิจจังทุกขังอนัตตาไปพระินพานด้วยสอนให้รู้ตามเป็นจริงเฉยๆถ้าไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็จะสงสัยเขาทำทั้งปวงไม่ได้มาสงสัยกิเลสกิเลสไปสงสัยตาความหลงไปสงสัยตาถูกหรือไม่ บรร ญ, ญัติว่าตนเป็นใจใจแล้วก็มาหลงตนบรร ญ, ญัติตนบรร ญ, ญัตตาหูจมูกเล่นกายแล้วก็มาหลงตาหูจมูกเล่นกายใจกายก็เป็นเรื่องของใจไปหลงถ้าใจไม่หลงจะให้ผีตัวไหนไปหลงถ้าใจมีสติปัญญาฉลาดเนื้อตนใจก็ไม่หลงก็ชนะกันอยู่ณนะที่เมืองใจถ้าหลงก็หลงกันอยู่ที่เมืองใจ ถ้าไม่หลงก็ไม่หลงกันอยู่ที่เมื อ, องกาจถ้าชนะกันก็ชนะอยู่ไม่อยู่ที่เมื อ, องกายเมื่อได้ชนะอยู่ที่เมื อ, องตาหูจมูออกเลี้ยกายใช่หรือไม่ย่ลงเป็นหนึ่งแล้วย่ลงเป็นเอ ก, น, เออ น, โกโนิบาตโอวันนีะโกน้อมเข้ามาใส่ใจ สมมติก็ออกไปจากใไม่มุติก็ออกไปจากใจผู้เขียนก็ใจเป็นผู้เขียนผู้รับก็ใจเป็นผู้รับผู้อ่านก็ใจเป็นผู้อ่านคนตายอ่านไม่เป็นใช่ไหมผู้ท่องบนก็ใจเป็นผู้ท่องผู้บนคนตายท่องไม่เป็นใช่ไหมนั่นนั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจถ้าพูดมากมันก็มีมาก ถ้าพูดน้อยมันก็มีน้อยถ้าทำให้มากมันก็มากออกไปจากใจถ้าทำให้น้อยก็น้อยลงมาหายใจใช่ไหมราพูดแล้วกระดุกเลยไม่ใช่ดุรรอก้าไม่พูดดังคนมัได้เย็นเราหูหนวกแล้วไม่ค่อยไดเย็นเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงอะไรต่อเสียงอะไรเหมือนจอิ้งหรีดร้องจิ้ๆๆจ้้อยู่กลางวันกลางคืน เมื่อเราคิดถึงท่านแล้วก็ทําบุญอุทิศ h าท่านมีสิ่งเดียวเท่านั้นถ้านึกถึงก็ทําบุญอุทิ tha ปุกวะเพตาปีทําบุญอุทิศ h a ให้ผู้ตายมีสิ่งที่ปฏิบัติอย่างนั้นวิดามารดาก็เหมือนกันท่านได้เลียงมาแล้วเรียงท่านตอบทําจิตธุระของท่าน ดำรงวงตระกูลประพฤตินตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วธรรมุลอุธิแท้ท่านก็มีหน้าที่เท่านั้นส่วนวิดามาน า, นาหน้าที่อื่นไม่มีผู้พะเปตะพีธรรมนลอุธิแท้ผู้ตายก็จัดเข้าในปฏิทานาไมาบุญทั้งเดียดด้วยการให้ส่วนบุญ แกผู้ที่ทำแกผู้ที่ทำแกผู้ที่ทำเพราะพวกนั้นไม่ได้มาบอกบอกให้ทาถ้าพวกนั้นมาบอกให้ทำก็ต้องได้แกผู้บอกปาราเที่บาใช่ให้เขาฆ่า เราก็เป็นบาปไม่มีผู้ใช้จะไปโทษให้ท่านมันก็ไม่ถูกท่านไม่ได้ใช่เราปฏิบัติเราใช้ให้เขาทำในเวลานั้นเราก็ได้รับบาปเหมือนกันเขาก็ได้รับบาปเหมือนกันถาวนาีนายของพระใช้ให้ไปฆ่าก็ฆ่าในที่นั้น ดวยวัตถุให้ฆ่าหรือให้ตายในวันวนั้นก็ดีหรือไม่ตายในวันวนั้นก็ดีแต่เวนไพก็มีสนองกันเหมือนกันการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไม่มีเจตนาเวนก็มีอยู่เหมือนกันแต่ศีลไม่ขาดแต่เวนมีอยู่เพราะการฆ่าสัตว์ต้องมีเจตนาถ้าไม่มีเจตนาเวนก็มีอยู่เหมือนกัน ถ้าเราพ้นทุกไปแล้วก็เป็นปัญหาอันหนึ่งสักก็ข้ามก็ข้ามเวรเพราะเป็นอาโหชิกรรมให้ผลสราเร์เแล้วแต่กรรมตามมาถึงมันก็มาเจอมาเจ อ, ม า, เจอมาพบมาปะแต่ขั้นห้าเมื่อขั้นห้าไม่มีผู้ใดถือไปเอาเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นอาโหชิกรรมไปสักเหมือนกางเกงของเรามันขาดแล้ว เราไม่อะไรในกางเกงเราเอาไปทิ้งซะแต่เขาโกรธให้เราเขาตามมาเอากางเกงเราไปเผาไฟเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราทิ้งแล้วชั้นในก็ดีจำทั้งหลายตามถึงพระหันท่านก็ไม่อิหนูอีนี่เพราะท่านมายึดมั่นในขั้นห้าแล้วอัตวาทุปาทาน ความเห็นว่าตนตัวเราเขาสัตว์บุคคลไม่มีในขั้นห้าแล้วมันก็เป็นอโหสิเหตุเป็นอโหสิผลไปในตัวแล้วพอใจไหมทีนี่พอใจนะใครเป็นผู้พู ด, พดใครเป็นผู้ถามกันอยู่ก็คือสังขารเนี่ยกองทุกกา ย, ยสังขารมจีสังขารพระนิพพานม่ไ่้มาทุกพูดถามด้วยใช่หรือไม่ ใครเป็นผู้กำรรขาอยู่นี่ก็สังขารแลี่กองทุกพระนี่ผ่านมาเนี่ยมากรรมด้วยเนี่ ม, มันเป็นคนละส่วนมันก็ไม่พ้นส่วนของใครของมัน มันไม่มันไม่พ้นมันก็บาปเวรเวณเหิเวรเวณก็ไม่หนีเวร เ, เ, เ, เ, เหตุฉะนั้นท่านจึงห้ามว่าปานาทิปาต า, า, าเวรแล้วมณีเวนแล้วในเวร น, นี้ซิกขาประดังสมาธิยามิ เป็นสีขาบดหนึ่งหนึ่งอยู่ที่ไก่อาเดินก็เหมือนกันกาเมก็เหมือนกันมุสสาสุราก็เหมือนกันเหตุนั้นท่านจึงทรงสนอเสินว่าผู้มีศีลห้าบริบูรณ์ไม่ถือศาสดาอื่นไม่ถืออยู่ยงคงกภัพันเป็นผู้สัมมาทิฏฐิเห็นชอบแล้วไม่ล่วงอบายามุข ไม่ถือศาสนาอื่นยินดีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นท่านผู้นั้นได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วสักยะทิฏฐิเป็นเหตุไม่ให้ถือตนถือตัวในทางต่อพระพุทธพระสมมาพระพุทธเจ้าต่อคำสอนพระพุทธเจ้าวิจิคิตะไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของพระบรมศาสราเลย เชื้อราปตาปรามาก็ไม่รู้คาสงสัยคาสอนพระบรมศาสราตั้งหน้าดื่มตั้งหน้ากินเท่านั้นถ้ากินพอดื่มพอก็อิม่มมีความสงสัยมีความเข้าใจเท่านั้นถ้าเราปฏิบัติพอก็พ้นทุกข์จริงๆไม่ต้องสงสัยถ้าเราไ ม, ไม่ปฏิบัติพอก็ไม่พ้นทุกข์เหตุฉะนั้นท่านจริงไม่สงสัย นิสสังสัยยังไม่สงสัยเ ห, เห็นเพียงอนิจจังก็ไม่สงสัยแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วแปรดับจะรับบาปก็รับเหตุบาปจะรับจะสร้างบุญก็สร้างเหตุบุญจะรับเหตุแห่งท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็ต้องรับอุปท า, านตามอุปท า, านถือมั่นกรรมทิฏฐุปาทานถือมั่นทิฏฐิ สี่รัฐประตูปาทานถือมั่นสินพระตอัตวาทุปาทานถือมั่นวาทะว่าตนว่าตัวอุปท า, านทั้งสี่เป็นเมืองขึ้นของอัตวาทุปาทานถ้าพ้นจากอัตวาทุปาทานความสาคัญว่าเราไม่มีของเราไม่มีผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นไม่มีแล้วก็มีแต่สังขารและกองทุกข์แล้ว อัตวาธุปาทานจะมาจากประตูใดก็ไม่มีก็พ้นไปณนะที่นั่นเองไม่ต้องสมมติว่าปล่อยว่าวางก็ได้เพราะรู้ตามเป็นจริงตอนไหนตอนนั้นก็วางไปในตัวแลว้วไม่ต้องสมมุติวางอีกเช่นเราลืมตาขึ้นมันเห็นก็ไม่ต้องสมมุติวางมืดใช่ไหม ถ้าเราหลับตาเข้าก็ไม่เลยสมมุติเอามืดมามันมืดเองใช่ไหมแล้วก็พูดระบายบาบไปตามภาษาเราถ้ามันไม่ถูกก็อย่าเชื่อเนอะเพราะพระธรรมเป็นสัมทิที่โกจะบังคับให้กันเชื่อก็ไม่ได้ต้องเห็นเอง ถ้าบังคับให้เชื่อเดี๋ยวก็ข บ, บดคืนเห็นเองเห็นเองในธรรมชั้นต้นของพุทธศาสนาก็หมายสุปเิปนนสันทิิโกหมายถึงสุปเิปันนถ้าหมายเอาโลกีมันก็ฟันเฟือเกินไปผู้ที่เขาไม่เลื่อมใสเขาก็ไม่รู้ เขาก็รู้ว่าเขาไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาอยู่ผู้ที่เขาเลื่อมใสเขาก็รู้จักว่าเขาเลื่อมใสอยู่ผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาเขาก <_ S 1> ็เขาก็รู้จักเขาอยู่เขาเขาอยู่แต่จะถือเป็นสันทิฏฐิโกมันก็ฟันเสือเกินไปสันทิฏฐิโกมีขอบเขตต้องถือแต่สุภจรปโนเป็นต้นไปจึงมีขอบเขตคือสุภโสดาวัน ผู้ใดไม่สงสัยตนเองว่าจะเสียดายล่วงละเมิดระบายมุกหรือเสียน่าหรือจองเวรท่านผู้อื่นหรือถือศาสธดาใดๆหรือถืออยู่โยงโคงกพัน์หรือถือเลิกปยายามดีไม่สงสัยตนมันก็ข้าวทะเลสงสัยตอนนี้ไปแล้วยในชั้นห ย, ยาบๆนี่ต่อแต่นั้นก็ตั้งหน้าเดินเข้าใจนะทีนี่ อันนั้นเป็นนิมิตพิเศษของเราต่างเป็นนิมิตพิเศษของเรานิมิตแปลว่าเครื่องหมายมันหมายว่าเหมินมันก็หายไปสิ่งเราตั้งตั้งอยู่ไม่ได้แต่นิสัยของเรามีมีอยู่อันหนึ่งถ้าเราไปดูคนป่วยเวลาเรากลับมาเรากําหนดลมหายใจเข้าออก เหม็นมาเป็นบทเป็นบทคนนั้นไม่เหลือเลยเป็นบริกรรมภาวนาในตัวและเป็นชวนไม่ให้จิต ง่วงเหงาหาวนอนก็เป็นอารมณ์ของบุญเหมือนกันจัดเข้าในมักคารมนาธรรมเมื่อ พ, พระมักคารลมในการท่องบุญสาธยายถ้าหาว่าง่วงเหงาหาวนอนก็ไปเป็นอีกอย่างหนึ่งทีนี้มีปัญหาสอดเข้ามาว่า ผู้เ พ, พจจนาณาอเนจังทุกขังอนัตตาอยู่ไม่มีกลางวักวนกลางคืนก็เรียกว่าเขาสวดอนัตตะลัคณะสูตรอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเพราะสูตรที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาผู้พิจารณ า, าร่างกายอยู่นี่ไม่มีกลางวันกลางคื น, ก, น, ค น, าาานาก็เรียกว่าสวดกายยักคตาสูตรอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้เพจารณาเมตตากรุณาก็เรียกว่าสวดอ เมตตาสูตรอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนหรือสวดกรณียเมตตาสูตรอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพระนาคามีบางพระองค์พิจารณาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนนี่ทัศนบุคคลเจ็ดจำพวกมีในพระไตรปิฎกได้เจอได้เจอได้พบได้เห็นอยู่แต่อยู่หน้าไหนจําไม่ได้นี่ทัศนะบุคคลเจ็ดจำพวกจำพวกหนึ่งพิจารณาไม่เที่ยงไม่เที่ยงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน อ嗯 uh